สอบถามโทร 02-592-1991 วิทยุราชมงคลธัญบุปปรีเฟเอ็เมเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิต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 สวัสดีครับขอตอนรับเข้าสู่รายการคอมทูเดย์เรดิโอนะครับทาง FM89.5 m มแปดสนะครับอยู่กับผมพรชัยจันทร์ัสุประแสงนะครับบอกกับมิงคอมทูเดย์กลับมาพบกันทุกวันจันทร์และวันอังคารนะครับวันนี้ก็อยู่กันในวันอังคารที่14ตุลาคม2562นกะครับก็สมัยก่อนรู้สึกจะมีเหตุการณ์14ตุลาเนอะถ้าจำไม่ผิดตอนปี16หกรืออะไรสักอย่างก็พี่มิงเด็กมากเนอะก็เลยไม่แน่ใจว่าเหตุการณ์เป็นยังไงแต่รู้ว่าเป็นเหตุการณ์ททาางงกรเือี่ สำคัญอีกเหตุการณ์หนึ่งในเมืองไทยนะครับแต่ไม่เป็นไรเราไม่ใช่รายการการเมืองฮะเราเป็นรายการเทคโนโลยีเพราะฉะนั้นวันนี้เราไม่ได้พูดถึงการเมืองแต่เราจะมาเล่าเรื่องของแก d เจตสู้ฝุ่นที่หาซื้อได้ง่ายในช้อปปิ้งออนไลน์นะฮะก็ต้องยอมรับว่าช่วงนี้ฝุ่นเยอะนะถึงแม้ฝนจะตกลงมาแต่ ฝุ่นที่ฟุ้งอยู่ในกรุงเทพมหานครหรือในจังหวัดต่างๆของเมืองไทยเองเนี่ยก็มีเยอะขึ้นเรื่อยๆอาจจะเหตุผลเพราะว่าช่วงนี้เรามีการก่อสร้างเยอะมีคอนโดเยอะมีสร้างถนนสร้างทางยกระดับโหเยอะแยะไปหมดเลยสิ่งเหล่านี้ก็ช่วยเพิ่มฝุ่นเข้ามาในปริมาณที่เพิ่มขึ้นอย่างพี่มิงเองตอนนี้ก็ต้องต้องหันมาทานยาแก้แพ้นะเพราะว่าปกติก็เป็นคนแพ้ฝุ่นอยู่แล้วพอเจอเหตุการณ์แบบนี้มันก็ยิ่งแพ้เข้าไปใหญ่นะครับก็ ต้องบอกว่าใครที่กำลังเผชิญกับเจ้าปุ่นมหาภัยแล้วก็ป่วยจนต้องนั่งเขียนบทเขียนบทความหรือต้องทำอะไรก็แล้วแต่อย่างพี่มิงเนี่ยก็ต้องบอกว่าล่าสุดเมื่อสิ้นเดือนที่ผ่านมาสยามยสิบกันยายนที่ผ่านมากรุงเทพมหานครเนี่ยก็มีค่า AQI หรือว่า Air Quality Index เนี่ยสูงติดอันดับ2ของอาเซียนโดยเป็นระดับที่ทำให้เสียสุขภาพอย่างมากนะครับ แต่ภาครัฐก็อาจจะยังไม่ได้มีมาตรการใดๆมารองรับเพื่อป้องกันเพราะว่าประเทศก็ต้องพัฒนานะฝุ่นก็ต้องมีเนะีเพราะฉะนั้นไม่เป็นไรเราสามารถป้องกันตัวเองได้นะครับมันมีนอะไรบ้างเริ่มต้นจากอุปกรณ์วัดคุณภาพอากาศแบบพกติดตัวนีอุปกรณ์วัดอากาศแบบพกติดตัวอันนี้เป็นยังไงนะครับก็เป็น เ, เขาเรียกว่าตัววัดอากาศ ที่จะช่วยให้เราสามารถตรวจวัดค่ามวลอากาศรอบๆซึ่งสามารถเลือกซื้อได้จากพวกเว็บซื้อออนไลน์ได้เยอะนะหรือจะไปซื้อที่ช็อปต่างๆก็มีอย่างลาซ a ด้อะไรต่างๆก็มีนะตัวเนี้ยหากเรียกว่า ม, มันมีอะไรก็คือหากจุดไหนมีฝุ่นเยอะให้เราหลีกเลี่ยงที่จะอยู่ในนั้นเป็นเวลานานถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็จำเป็นต้องใส่หน้ากากที่มีประสิทธิภาพในการป้องกัน PM 2.5 ให้ดีด้วยนะฮะไอ้ตัวนี้ก็เป็นตัววัดว่าเท่านี้เป็นยังไงเนี่ หน้ากากฝุ่นนะหน้ากากากันฝุ่นไม่ใชนะ่หน้ากากฝุ่นของเซี่ยมี่ Puree n t y Pollution Poll Air Mask นะฮะ เ, เซี่ยมี่ก็ถือเป็น แบรนด์ที่ทำอะไรแบบนี้ค่อนข้างเยอะนะอย่างคอมมารรอบที่ผ่านมาพี่มินก็เห็นนะเขามีขายตัวหน้ากากกันฝุ่นไม่รู้ใช้ตัวเดียวกันหรือเปล่าเนี่ยซี mm ่ยม Puree Anti Pollution Air Mask เนี่ยเป็นหน้ากากกันฝุ่นที่สามารถกรองฝุ่น PM 2.5 ได้มากถึง 98% นะครับมีพัดลมช่วยระบายอากาศไม่ทำให้อึดอัดนะปัญหาหลายคน ใส่แมสแล้วมันก็อึดอัดเนาะตัวนี้เขาก็มีพัดลมนะแบตเตอรี่สามารถใช้งานได้5ชั่วโมงต่อการชาร์จ1ครั้งออกแบบมาให้สามารถกรองฝุ่น2ชั้นคือหน้ากากโพลีเอสเตอร์ภายนอกและภายในด้วยหน้ากากรองฝุ่นแบบนาโนไฟเบอร์เร a กทนะอออันนี้ก็เก๋ดีนะล่าสุดพี่หมิงก็ไปซื้อของมินิโซเป็นของมาเวลซูเปอร์ฮีโร่เป็นอะไรนะ กัปตันังมรีกาสีน้ำเงินแล้วก็มีเหมือนโลก่กับตันังมรีกาแปะอยู่ตรงปะก็เก๋ๆซื้อมาไม่ได้ใส่ซื้อมาดูน <c oughs> มาอันที่3ครับอันที่สายเมี่มย x ี a o m i Mi a อป Pop l 360 Enti Hash Mask นะะรุ่นนี้เป็นรุ่นที่ถูกลงมาอีกเพราะว่าไม่มีพัดลมในตัวแต่ผลิตขึ้นเป็นชิ้นเดียวไม่มีกาวไม่มีสารเคมีใดๆ ปลอดภัยต่อผู้ใช้งานแล้วก็สามารถกันฝุ่นละอองได้มากจนถึงควันบุหรี่มีฟิลเตอร์ขนาดใหญ่ช่วยกรองซึ่งสามารถกรองได้นานถึง30ชั่วโมงนะฮะโดยสามารถหาซื้อได้ตามร้านค้าออนไลน์ทั่วไปแต่ดูรีวิวให้ดีนะฮะเพราะมันก็มีของปลอมขายรวมอยู่เยอะรวมถึงของหลอกราคาก็พอพอประมาณนะก็ดูดีๆแล้วกันนะฮะมาอันที่4กันบ้างอันที่4เนี่ยเป็นซี่ยมี่ เพ refer นะีอุปกรณ์ป้องกันฝุ่นนะีซึ่งยังไงก็ไม่พ้นเครื่องกรองอากาศเนาะและถึงแม้ว่าจะเอาภาพรวมของ Xiaomi มาแต่ไม่จําเป็นต้องซื้อของ Xiaomi ก็ได้นะฮะในตลาดก็มีเครื่องกรองอากาศดีๆหลายรุ่นซึ่งหากาาซึ่งท่านสามารถซื้อติดบ้านไว้เพื่อช่วยลดฝุ่นในห้องนอนหรือห้องนั่งเล่นน ะ, ะวิธีการทํางานมันก็จะเป็นเหมือนเป็นตัวดูดอากาศที่พี่มิงเห็นมันก็จะเป็นติดแต่ว่ามีเครื่องกรองอากาศแล้วก็ไม่ใช่ว่าสบายใจได้นะเพราะว่า ก็ต้องมันทําความสะอาดมันเปลี่ยนตูวกรองเพราะว่าถ้าไม่ทําความสะอาดไม่เปลี่ยนตัวกรองสุดท้ายมันก็ไม่ได้ป้องกันฝุ่นกับตัวเราเท่าไหร่นะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับอุปกรณ์อย่างตัวเครื่องฟอกอากาศเนี่ยมันก็กินไฟเหมือนกันมีเพื่อนหลายๆคนแต่ก็ยังไม่ได้ยืนยันนะที่เขาใช้เขาบอกว่ามันเหมือนแอร์ย่อมๆตัวหนึ่งเลยเหมือนกับเปลืองไฟทีเดียวจากเดิมเคยจ่ายค่าไฟแค่นี้ก็เหมือนกับติดแอร์เพิ่มอีกครึ่งหนึ่ง คึ่งตัวมันก็จ่เพิ่มอีกนิหนึ่งแต่ก็ทั้งนี้และทั้งนั้นก็คงต้องประเมินดูว่าเวลาที่เราจะใช้เราควรจะใช้เวลาไหนก็อาจจะไม่จำเป็นต้องกรองกันทั้งวันทั้งคืนเนาะแล้วก็ช่วงนอนอาจจะใช้หรื อ, อยังไงก็อาจจะต้องมาตั้งตั้งระบบระเบียบตรงนี้ให้มันดีขึ้นแล้วก็ที่สําคัญก็คือถึงแม้จะเสียเงินถ้าเรามีกําลังจ่ายก็จ่ายเถครับเพราะว่ามันเป็นการทําเพื่อสุขภาพของตัวเราเองนะครับแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นที่หลายคนมักจะพูดเสมอล่าสุด มีคุณหมอมาบอกพี่มิงว่าพี่มิงปรึกษาเขาบอกว่าคุณก็ต้องเลี่ยงฝุ่นนะแต่ถ้าเราเลี่ยงไม่ได้เราก็ต้องใช้อุปกรณ์เหล่านี้แต่ถ้าเราเลี่ยงได้มีโอกาสก็อาจจะหาเวลาไปพักผ่อนต่างจังหวัดแล้วก็ไปสูตรอากาศบริสุทธิ์กันบ้างไปป่าไปเขาอะไรเงี้ยมันก็ช่วยหรือไปทะเล ก, ก็ได้นะก็ช่วยทําให้สุขภาพจิตสุขภาพกายของเราดีขึ้นนั่นเองครับสนับสนุนรายการโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีมหาวิทยาลายยัา ย, า ย, าลายแห่งนวัตกรรม AmuT moving towards innovative university. <laughs> ด้วยซ้ำไปลึกไม่ถึงว่าเธอจะมีตัวตนจะพูดไงดีอย่างนงี้ต้องบอกใช่เลยใช่ นั้นต้องหวานขนาดนี้ทุกอย่างกำลังดีคนนี้ใช่เลยอย่าสวยไปกว่านั้นอย่าหวานไปกว่านี้เอาแค่ที่เธอมีแค่นี้ได้เลยต้องสวยขนาดนั้นต้องหวานขนาดนี้ทุกอย่างกำลังดีคนนี้ใช่เลย สวยไปกว่านั้นอยหวานไปกว่านี้สรุปว่าพอดีกับใจฉันเลยใจ รายการคอมทูเดย์นานาสาระเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่คลิกไฟให้มาตรงกันที่วทยุราชมงคลทันยาบุรี fm 89.5 MHz เมนาทีนี้นะครับนอกจากแกจเจตที่เป็นเรื่องของกันฝุ่นอย่างที่พิมพ์บอกแล้วเนี่ยก็จะมีเรื่องสมาร์ทวอทที่กำลังฮิตมากในช่วงนี้พิมพ์เองก็ใช้สมาร์ทวอทมาเป็นเครื่องที่2และ ต้องบอกว่าสมาร์ทวอท h 6แบรนด์สุดฮิตราคานักศึกษาเป๋ไหว น, นะฮะจ่ายไม่ถึงหมื่นนะมีอะไรบ้างดีเรามาดูกันนะครับสมาร์ทวอทนาฬิกาล้ำๆช่วยทำให้ชีวิตเราง่ายขึ้นนะครับเดี๋ยวนี้กระแสดูแลสุขภาพมาแรงจนทำให้สมาร์ทวอทกลายเป็นไอเทมในฝันนะครับเพราะว่าเจ้านาฬิกาสุดล้ำนี้ออกมาเพื่อให้ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์แบบโดนๆทั้งวัดอัตราการเต้นของหัวใจขณะวิ่งหรือว่ายน้าฟังเพลงรับสาย เข้านะได้แม้ไม่มีสมาร์ทโฟนอยู่ในโตัวอยู่ข้างตัวแถมรุ่นใหม่ๆเนี่ยยังพัฒนาฟังก์ชันได้ดีกว่าเดิมในราคาที่เอื้อมถึงนะฮะหรื อ, อยังข่าวล่าสุดที่เป็นข่าวดังของอ่าพริตตีนะลาลาเบลที่เขาใส่สมาร์ทวอชก็ถึงขนาดเอามาจับหรือว่าเอามาดูกันเลยว่าเอ๊ะสามารถจะมาช่วยในการสืบคดีได้หรือเปล่านะครับวันนี้พี่มิงคัดสรรสมาร์ทวอชแบรนด์สุดฮิตราคาไม่ถึงหมื่นนะฮะมาให้เป็นตัวเลือกสําหรับคนที่กําลังมองหานาฬิกาที่ ตอบทุกโจทย์แบบที่ไม่ต้องลงทุนเยอะเน้นรุ่นหน้าปัดที่ขายดีอยู่ทั้งหน้าร้านและช่องทางออนไลน์มาให้เลือกปรับเลือกซื้อเลือกตัดสินใจกันเลยแล้วก็อาจจะให้เป็นของขวัญสำหรับคนที่คุณรักและเคารพก็ได้นะครับมาดูกันมีอะไรบ้างนะฮะปรับราคาถูกลงกว่าเดิมนะครับปรับราคาล่าสุดเล่นเอาใจสั่นกันอีกรอบกับ Apple Watch Series 3 Smart Watch ตุ่มแดง จากค่าย Apple นะที่ล่าสุดนะครับดัมราคาลงกว่า 4,000 บาทหลังประกาศออกซีรีส์ใหม่ด้วยราคาเริ่มต้นที่ 6,400 บาทนะฮะราคานี้วัสดุตัวเรือนทำจากอะลูมิเนียมขนาด38ม m mm, มนะฮะกันน้ำได้50เมตรรองรับการใช้งาน GPS ถึงจะตกรุ่นแล้วแต่ก็ สามารถใช้งานได้แต่เข้าใจว่าน่าจะของไม่เยอะนะของจะมีไม่เยอะแล้วก็ยังอัปเกรด OS ลอรองรับฟีเจอร์ใหม่ได้สาวๆที่มีข้อมือเล็กแนะนำเลยจ้าถ้าได้เป็นของขวัญเนี่ยรับรองว่าปลื้มเน่แมนแฟนซื้อให้เลยนะแบบต่อไปตะกี้แบบปรับราคาถูกกว่าเดิมมาดูที่แบบ อึดทึกทนราคาดีมาพร้อมกับฟังก์ชันโดยต้องยกให้ค่ายนี้ครับเสียวมีเลยนะ Amazing Amazing Fitbit อันนี้พี่มิงก็ใช้อยู่ Smartwatch หน้าปัดสีทูโทนเก๋ๆปรับราคาลงมาอยู่ที่ 2,390 บาทซื้อมาใส่คำๆยังได้บ้างนะ บ้าจริงๆเลยถูกอะไรขนาดนี้ตัวนี้หน้าจอทัช ส, สกรีน 1.28 นิ้วสเปคไม่ธรรมดาเพราะว่าเขาทำได้ไม่แพ้ ส, สมาร์ทวอทช์รุ่นราคาแพงทั้งวัดอัตราการเต้นของหัวใจกันน้ำกันฝุ่นที่เด็ดคือแบตอยู่ได้นานถึง45วันสูงสุดนาน4เดือนถึกทดถึกทนกว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะอันนี้จริงใช้เองก็ชาร์จแบตกันแบบ2งสามอาทิตย์ชาทีอะนานมากนะ มาที่สายแบบถูกใจสายแฟชั่นราคาเบาๆกันบ้างนะครับสีสันโดนใจสายแฟชั่นโดยเฉพาะต้อง Fitbit นะครับสม a ร์ทวอทแบรนด์ฮิตมากับ Fitbit เวอร์ซาไลสีชมพูกระแทกตาเดินมาไกลยๆยังเห็นนะตัวนี้ราคา 4,999 บาทหน้าจอทัชสกรีนพร้อมอขนาด20มิลิเมตรสายเป็นซิลิโคนกันน้ำได้50เมตรน้ำหนักแค่ 0.04 กรัมต่อหูฟังบลูทูธได้แถมยังแบตอยู่ได้นาน4วันอันนี้พี่มิ้งก็เคยใช้นะตอนนั้นยังซื้ออยู่ที่ราคา 6,000 กว่าบาทเลยตัวเก่าที่ใช้ไปล่าสุดขายไปมืงอันอันนี้ออกมาใหม่ 4,9 เองครับ เท่ให้สุดแล้วอยุดที่เธอนะครับแมนมากแน่อ่ารุ่นนี้คุณผู้ชายปลื้มแน่นอนเป็นหัวเว่ยวอสจีทราคา 4,290 บาทใส่แล้วเทก่กว่าใครด้วยหน้าจอแอมล็อต m อ l e อนะฮะวัสดุเซรามิกอ่าสแตนเลสขนาด4 2่สถึงสีมมใช้ฟังก์ชันจัดเต็มทั้งวัดอัตราการเต้นหัวใจแบบเรียลชารมเป็นผู้ช่วยออกกําลังกายบันทึกการนอนจับพิกัด gps แม่นยําใช้ชิปเซตคู่พลังงานต่ําอยู่ได้นาน7จ็ถึงสิวันล้ําไปอีกนะครับ อันต่อไปสายวิ่งต้องปลื้มนะฮะสนามไหนใกล้ๆก็ไม่หวัน่นแค่มีการ์มินนะ for for runner นะตัวนี้ราคาแอบแรงแต่ก็วิ่งแซงเพื่อนแน่นอนเพราะว่าราคาอยู่ที่ 8,290 กบาทก็ยังถูกกว่าหมื่นเนาะนะนะแล้วก็อยู่ในโหมดของสมาร์ทวอทแล้วก็ใช้ได้13บอชั่วอชั่วโมงในโหมด GPS นะฮะถ้าเป็นโหมดปกติสมาร์ทวอทใช้ได้9วันนะเป็นอย่าง ทุกอย่างให้ตัวเธอนะเป็นค่าย a m s u ุงกับ s a m s ุ n เกียร s ส o r t ที่ตัวท็อปราคา 9,900 บาทนะมาพร้อมฟังชั่นครบติดตามค a ร์ดิวบันทึกข้อมูลออกกำลังกายได้ถึง60รูปแบบกันน้ำ50เมตรฟังเพลงแบบ Spotify ได้สายบันเทิงต้องปลื้มตัวนี้นะครับก็เป็น Smart Watch ที่พี่มิงเอามาแนะนำและชื่อว่าท่านผู้ฟังน่าจะชอบนะใช้ตัวไหนแบ่งแชร์ประสบการณ์กับพี่มิงบ้างก็ได้นะครับสนับสนุนรายการโดย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 บางทีฉันแสดงออกมามดูมุ่มื่นขอได้โปรดเข้าใจก็แค่อาการของคนใจสลายทั่วไปนั่นมันจะมี ตวลิกในนี้ว่ายังเป็นคนเดิมเข้าใจใเธอดีไม่วันนพรุ่งนี้หรือเมื่อวานสิ่งที่ฉันทำลงไปอาจเลวในสายตาเธอ มีเพียงแต่สนใจใหเธอโชกดีเจ็คงธรรมดาให้เวลาเยียวยาหัวใจไม่นานคงหายดีและคงไม่ตายหากบ้าน ก็แค่อากาศของคนใจสลายทั่วไปนล้วมันจะมี วันนั้นฉันเข้าใจอะไรอะไรได้ดีสเสมอขอให้เธอได้รู้ความจริงส่วนลืดในนี้ว่ายังเป็นคนเดิมเขาใจใเธอดีไม่วันไหนพรุ่ง น, นี้หรือเมื่อวานเก็บฉันเอาไว้ รู้เรื่องคอมรายการคอมทูเดย์นนาสาระเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่คลิกไปให้มาตรงกันที่วิทยุราชมงคลธัญบุรี FM 89.5 MHz เมมา <c oughs> มาอัปเดตกับข่าวของ MSI บ้างนะครับ MSI เนี่ยแบรนด์นี้ <c oughs> เราคุ้นเคยกับ การเป็นเกมมิ่งโน้ตบุ๊กเนาะล่าสุด MSI เนี่ยเตรียมบุกตลาดโน้ตบุ๊กสำหรับสายครีเอเตอร์อย่างต่อเนื่องจริงๆก็ทำมาแล้วแหละมาพร้อมพลังการสร้างสรรค์สุดคู่ด้วย CPU Intel 10th Generation ลายแรกของโลกนะครับหลังจากที่ MSI ได้เปิดตัวโน้ตบุ๊กสำหรับสาย คอนเทนต์ครีเอเตอร์สำหรับกลุ่มลูกค้าที่ต้องการใช้งานนะฮะในด้านการสร้างคอนเทนต์และความคิดสร้างสารรค์โดยใช้ CPU Intel 10th Generation ตัวล่าสุดมาเป็นคุมพลังในการขับเคลื่อนให้กับโน้ตบุ๊กเป็นครั้งแรกของโลกกับช่าง Intel ในงาน Alpha เมื่อวันที่6 11กันยายนที่ผ่านมานะครับโดยในซีรี I, รส์ MSI p r e c i s i เนี่พยพิเศษเนี่ยอ่านว่าพิเศษดี p r e c i s 14และ15รุ่นใหม่นี้มาพร้อมกับป ร, ประสิทธิภาพและฟีเจอร์ใหม่อีกมากมายซึ่งตัว CPU ที่ใช้ใน2ตัวนี้เป็น CPU ที่มีแกนประมวลผลถึง6คอร์จาก CPU Intel 10th Generation ตัวล่าสุดนะครับแล้วก็พร้อมหน้าจอแสดงผลแบบ True Pixel ที่จะช่วยให้เหล่า Creator เนี่ยได้เติมเต็มประสบการณ์ในด้านการสร้างสรรผลงานได้ยิ่งขึ้นมากยิ่งขึ้นนะครับ โน้ตบุ๊กสำหรับครีเอเตอร์นะฮะก็คือคนที่สร้างพวกกราฟิกต่างๆเนี่ยก็ตัวนี้เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกนะจริงๆควมว่าครีเอเตอร์เนี่ยก็มีทั้งภาพและเสียงเพราะฉะนั้นมันก็มีความจำเป็นที่จะต้องใช้ประสิทธิภาพของตัวโน้ตบุ๊กหรือคอมพิวเตอร์ที่มันสูงกว่าปกตินะบางทีอาจจะต้องสูงกว่าเกมมิ่งด้วยซ้ำไปเพราะฉะนั้นการเปิดตัวของ MSI ทั้ง2รุ่นนี้เนี่ยก็น่าจะช่วยตอบโจทย์ตลาดตรงนี้นะครับ นอกจากนี้นะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับนักออกแบบก็คือความคมชัดรวมถึงความแม่นยาของสีในระดับที่สูงและใกล้เคียงที่สุดนะทำให้การสร้างสรรผลงานสามารถทำได้อย่างแม่นยาและมีประสิทธิภาพด้วยหน้าจอแสดงผลแบบ True Pixel ของ MSI ตั ว, ต, วตัวนี้นะ p r e s i o n เนี่ยซึ่งมีความละเอียดสูงสุดถึงระดับ 4K UHD พร้อมกันตั้งค่าสีด้วยฟิเตอร์ True Color เพื่อให้สีสันมีความแม่นยาตรงกับ ใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุดด้วยมาตรฐาน 100% Adobe RGB ทำให้การแสดงผลของสีมีมิติมากขึ้นกว่าเดิมะนะครับแล้วก็ยังมีเด l ต a E2 ที่ช่วยการันตีว่าสีที่ใช้นั้นมีความถูกต้องแม่นยำนะครับก็เปิดตัวกันไปแล้วใครเป็นสาวก MSI แล้วเล่นเกมอยู่แล้วอยากจะรับเป็นสายครีเอเตอร์ก็ลองดูสองรุ่นนี้ดูก็ได้ครับสนับสนุนรายการโดยมหาวิทยายลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี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 พวกไวรัสเนี่ยถือเป็นศัตรูตัวชะกาดนะครับแต่พอมาเป็นสมาร์ทโฟนคนก็อาจจะลืม เ, ลเรื่องเหล่านี้ไปนะท้ายๆของวันนี้เบรกท้ายของวันนี้นะครับพี่มิ้งจะมาพูดสองเบรกท้ายกับเรื่องของ แอปป้องกันไวรัสในมือถือสําหรับปีนี้ว่ามีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างนะครับก็ต้องยอมรับ ว, ว่าทุกวันนี้หากเราไม่ได้ใช้แอปป้องกันมัลแวร์บนสมาร์ทโฟนหรือว่าแท็บเล็ตแสดงว่ามือถือของเราเนี่ยมีความเสี่ยงสูงที่จะติดเชื้อจากแอปที่ไม่พึงประสงค์และแอปที่ดักเก็บข้อมูลสําคัญในเครื่องนะโดยเฉพาะคนที่ใช้ Android เพราะว่าถ้าเป็น Apple อาจจะมีระบบปิดก็ยังป้องกันเราได้ระดับหนึ่งนะโดยข้อมูลนี้เป็นเอ่อก็เป็นพวก แอปที่เก็บรหัสบัญชีบางแอปก็เก็บพินโมบายแบงกิ้งหรือดักเก็บข้อมูลอื่นๆเช่นรูปภาพข้อความการแชทซึ่งมันก็อันตรายมากพอจนต้องใส่หัลองขอชีวิตอันนี้อาจจะเวอร์ไปนะฮะบางเคสมันก็อาจจะเป็นเคสที่อันตรายจริงๆนะครับทีนี้มาดูกันว่ามันมีอะไรที่น่าใช้กันบ้างแต่ขอบอกไปก่อนนะครับว่าอันนี้ไม่ได้เป็นการทารีเสิร์ชหรือว่า อะไรต่างๆนแต่เป็นการดูจากรีวิวต่างประเทศแล้วเาก็มีการให้คะแนน ก, นกันก็เอามาเล่าสู่กันฟังนะครับเริ่มต้นจากตัวแรกสุดนะครับคือ Bit Defender Mobile Security เน ร, ราคาอยู่ที่ประมาณ450บาทต่อปีดีที่สุดที่หลายเว็บแนะนำเลยเขาบอกว่าเหตุผลที่แนะนำตัวนี้ก็คือการตรวจสอบจับมาวแวร์ทำได้อย่างสมบูรณ์แบบนะครับแล้วก็คุณสมบัติป้องกันจรกรที่ครอบคลุมและเชื่อถือได้ราคาไม่แรงมากนะครับ ส่วนเหตุผลที่ควรหลีกเลี่ยงหลีกเลี่ยงคืออะไรไม่มีตัวกรองการโทรเอ่อโทโทโทรแล้วก็ข้อความแล้วก็ไม่สามารถกำหนดเวลาสแกนได้ UI ธรรมดาไม่สวยงามแต่ทำได้ดีถึงดีที่สุดข้อมูลบอกว่าใน Bitdefender Mobile Security เนี่ยจะมีฟังก์ชันการทำาอ n t ี้มัลแวรที่ครอบคลุมในทุกส่วนของการใช้งานและมีแพทที่เริ่มรวดเร็วหากเกิด เขาเรียกวมีการแพทคือการอัปเดตแพทที่รวดเร็วหากเกิดมัลแวร์แพร่ระบาดค่าบริการต่อปีนะครับก็อยู่ที่ประมาณ450บาทต่อปีใช้ได้5เครื่องและที่สำคัญนะครับขายในคอมบาทเวิร์กสองา 2019, ราคาไม่ถึง300บาทด้วยนะฮะขอขายของนิดหนึ่งนะฮะก็เดี๋ยวเจอกันในคอมบาทเนาะอดทนนิดหนึ่งมีแน่นอนนะครับตัวต่อไปตัวต่อไปนะฮะเป็นนอ r t o n น o b i l e Security อันนี้ฟรี แต่มีให้อัปเดตเป็นพรีเมียมปีละา4 5บบาทต่อปีเหมือนกันรองรับแค่ iOS เท่านั้นนะครับเหตุผลในการเลือกใช้ก็คือมันสามารถตรวจสอบมัลแวร์ได้อย่างสมบูรณ์แบบครอบคลุมการใช้งานบริการสิทธิเครื่องนะ p a แอป s o r ิคุณสมบัติเด่นเป็นนอร์ตัน Mobile Security แล้วก็มีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายนะครับอันนี้ต้องยำ้ำเหตุผลที่คุณหลีกเลี่ยงก็คือมันกินทรัพยากรหรือรีรซอของเครื่องค่อนข้างสูงแล้วก็มีราคาแพง อาจต้องใช้คนเดียวก็คือมันไม่เหมือนอันตะกี้อันนี้ได้5คนอันนั้นมีเอออันนี้ได้คนเดียวแต่อันนั้นได้5คนใช่ไหมไม่ใช่อันนี้ได้10เครื่องแต่ว่ามันอาจจะแพงตรงที่บ่านอตตันโ o บายซิเคอร์ลิตี้เนี่ยมีทั้งบริการฟรีและเสียตังค์โดยบริการฟรียังมีฟีเจอร์ในการบล็อกข้อความและรายชื่อผู้ติดต่อเช่นเดียวกับบัญชีพรีเมียมเสียตังค์แต่การใช้งานเอนตี้ไวรัสยังอยากให้ใช้แบบเสียตังค์เพราะว่ามันมีฟังก์ชันในการป้องกันข้อมูลมากกว่านะครับ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 ค่ชจายสอบถามเพิ่มเติมที่ 02-549-3653 ศูนย์ผลิตและบริการวิชาการผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงามวิทยาลัยการแพทย์แผนไทยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีรา ช, ช ม, มงคลทัญบุรีศูนย์รับผลิตยาส ม, มุนไพรในรูปแบบแคปซูลชนิดผงพร้อมชงลูกประครบพิมเสนน้ำรวมถึงเครื่องสาอางทุกขั้นตอนผลิตตามรูปแบบมาตรฐาน GMP และใช้เครื่องมือที่ทันสมัย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 กับฉันคิดถึงฉันไหมเวลาที่เธอเหงาใจคิดถึงฉันไหมเวลาที่เธอไม่มีใครให้ทะลอะไปไหนแล้วไม่มีไครให้กอ่อแล้วเธอคิดถึงใคร ฉันฉันก็ทุเรศตัวเองเหมือนกันที่ปลอไปคำไปฉันรู้ว่าฉันไม่เอาไหนเลยไม่อบอุ่นได้อย่างนั้นฟ้าร้องครั้งนี้ไม่เจอหน้ากันแล้วเธอคิดถึงใคร เธอคิดตึงกันไม่ต้องวานต้องแล้วรออยากตาแค่ ก็หันไปเจอรูปเราบนหัวนอนเสียงเวิทยุก็คอยเล่นเพลงที่เธอชอบฟังที่ครั้งถึงฉันไม่ชอบก็ยังนั่ง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 แนะนำกันไป2อแอปสำหรับตัวป้องกันไวรัสหรือมัลแวร์ในสมาร์ทโฟนแล้วมาดูตัวต่อไปครับตัวที่3 CM Security Master นะฮะฟรีแต่ไม่มีอัพเป็นพรีเมียมในราคาแต่แต่มีให้อัพไม่ใช่ไม่ ม, แมีแต่มีให้อัพพรีเมียมในราคา 1,100 บาทเหตุผลในการใช้งานคือรุ่นฟรีเนี่ยมีคุณสมบัติหลากหลายมีการบล็อกการโทร UI สวยบริการ VPN แม้สำหรับรุ่นฟรีนะ VVN ก็คือเหมือนจะเป็นตัวจำลองว i r t u a l ที่คุณสมมุติตอนเน็ตไม่ได้ข้างนอกก็าสามารถใช้ตัวนี้ช่วยได้เหตุผลที่คนหลีกเลี่ยง ก, ก็คือการป้องกันมาแวร์มักทำได้ไม่ดีนักรุ่นที่จ่ายมาถึงรุ่นที่เสียเงินเนี่ยราคาค่อนข้างโหดเนะรุ่นฟรีมีโฆษณาให้ลำขาดเล่นๆไม่มีฟังก์ชันป้องกั น, ก, นการจรจรกรรม SMS นะครับเวอรช์ชันใหม่ของของของตัวนี้นะฮะ ราคาหมายถึงเวอร์ชันใหม่ของ C M Security ตัวนี้ราคาอยู่ที่เท่าไหรอ่อ่ะบาทต่อปีโดยเพิ่มฟังก์ชัน VPN ไม่จำกัดทำให้ไม่มีโฆษณาแต่ตราการตรวจจับ malware ของ C M Security เนี่ยมีความผันผวนในแต่ละเดือนนะฮะก็ต้องมาดูกันมาที่ตัวสุดท้ายที่จะแนะนำนะครับตัวนี้คือ Avast Mobile Security นะครับ ตัวนี้ฟรีแต่มีให้อัพเกรดเป็นพรีเมียมราคาโหดสุดครับ 2,400 บาทต่อปีเหตุผลที่น่าใช้ก็คือรุ่นโปรราคาไม่แพงนะครับปรับแต่งได้สูงแล้วก็รุ่นฟรีมีคุณสมบัติเกือบเท่ากับรุ่นโปรนะฮะเหตุผลที่คุณเหล็กเลี่ยงก็คือมีฟังก์ชันบล็อกการโทรแต่มันไม่ทำงานคุณสมบัติป้องกันการจรกรรมไม่น่าเชื่อถือแล้วก็การติดตั้งใช้เวลาราคาไม่แพงคุ้มต่อไม่คุ้มต่อการใช้งานคนเดียวนะฮะแล้วก็ โคสนาในเวอร์ชันฟรีอาจจะสร้างความหลัคาญได้นะครับสำหรับ e n t นตไวลัสตัวนี้เป็นหนึ่งในแอปลักษาความปลอดภัยใน Android ที่มีออปชันครบถ้วนที่สุดในตลาดแต่ในขณะที่การป้องกันมัลแวร์เนี่ยไม่สามารถทำงานได้ในบางครั้งอย่างการทดสอบมีคุณคุณสมบัติการปิดกัน้นการโทรแต่มันดันไม่ทำงานาที่เขารีวิวเอาไว้นะทั้งหมดทั้งมวลนี้ เอนตี้ไวรัสที่คอมบาทอยากแนะนําได้อยากให้มีในเครื่องนะฮะแล้วก็ราคาไม่แพงแลกกับความปลอดภัยและอาจเปลี่ยนชีวิตเราได้หากโทรศัพท์เราโดนแฮกนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็น4แอปของเอนตี้ไวรัสแล้วก็พวกเอนตี้มัลแวร์ในสมาร์ทโฟนที่นํามาแนะนํากันนั่นเองนะครับอ่ะถ้าอยากได้ข้อมูลดีๆเหล่านี้นะครับจริงๆตอนนี้เราก็มีเว็บไซต์ที่จะแนะนําให้ทุกคนได้ลองเข้าไปรู้จักกันนะครับถ้าอยาก รู้วิธีการใช้งานให้เกิดประโยชน์สำหรับเทคโนโลยีก็คือซื้อมาแล้วจะใช้ยังไงเนี่ยให้อ่านหรือเข้าไปดูกันที่เว็บไซต์ ai p fan com นะครับแต่ถ้าคุณกำลังอยากจะหาข้อมูลในการเลือกซื้อแน่นอนครับคอมมาไปซื้อของเว็บไซต์ c o m m a r t thailand com ก็เป็นเว็บที่จะช่วยคุณในการเลือกซื้อสิ่งที่ฉลาดและดีที่สุดสำหรับคุณนะครับก็อยาให้ไปอัปเดตข้อมูลกันในทั้ง2เว็บหรือจะเป็น แฟนเพจของทั้ง2แฟนเพจก็ได้นะครับอ่ะเวลาของวันนี้หมดลงแล้วเดี๋ยวไว้จะเจอกับพี่มิ้งใหม่ในสัปดาห์หน้าสัปดาห์นี้คิดว่าคอนเทนต์มาอัดเพียบสัปดาห์หน้าอยากได้อะไรเดี๋ยวเราจะมาเล่าให้ฟังกันนะครับเวลาวันนี้หมดลงแล้วไว้เจอกันใหม่วิหน้าครับวันนี้สวัสดีครับ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 ฉันไม่เคยน้อยใจอะไรทั้งนั้นให้เธอไปเลยไปกับเขาถ้าเธอไปดีก็เขาใจรับรู้โดยดีไม่เคยฝืนแต่เห็นสิ่งที่เขาทำจนเธอเจ็บปวดก็วัน เธอดีๆแค่นั้นคงรับไม่ไหวเธอแบบนี้แต่ไม่ได้บอกให้เลอกกันแค่คนเห็นใจไม่เคยฟืนเปลี่ยนได้ไหมข้าเป็นคนที่โดนโทอดทิ้งทุกรอยแผลทุกอย่างที่เขา ได้ไหมให้ฉันรับแทนที่เขาทำเธอฉันก็เคยชํามาคงทนรับไว้ ความเป็นจริงเป็นแบบนั้นให้คุณปวดใจเป็นเชิง น, น่สงสารเพียงเธออยากจะ